ในการแนะนำในการปฏิบัติเทวันนี้จะบอกลีลาการจบถ้าการเจริญไปกัรมฐานนะถ้าไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนแล้วก็ทํากันเรื่อยไปในที่สุดจะได้เฉพาะฌานโลกีเป็นอย่างมากนี่เพราะอย่างยร่งการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่หนักถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่หนักแต่ว่าเมื่อคืนวานเช้าเมื่อวานนี้ ของลิขุพระธนโลกกาลจะบอกว่าเมื่อวันที่สี่ตุลาคมมีญาโยมปฏิบัติกรรมฐานกัท่านอาจารย์พุทโธแต่ควยิงพุทโธในที่ไม่ได้นะข อ, องขาอําคัญญาโยเขาปฏิบัติมาหลายวันแล้วคือญาติจะเป็นเดือนจะไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกไปถามอาจารย์ว่าทำไมคนยิงไม่เห็นสวรรค์ น, นรกอาจารย์บอกสุลตยโยมเรืโองโยม อนนี้ก็เป็นความจริงคือว่าถ้าปฏิบัติคำว่าพุทโธนี้ไปสุขสบายวิโก้าสุขวิายวิตโกนี่ไม่มีความมีทิพย์สุกสิ้ขุยานไม่มีใช่ไหมจะมีก็แค่อุปจารสมาธิเห็นภาพเล็กน้อยผ่านไปผ่านมาไม่สามารถบังคับได้อรนนี้จะเห็นสวรรค์นรกไม่ได้ ต้องถ้าต้องการเห็นสวรรค์นรกต้องปฏิบัติในด้านเตวิโชฮีชาสามหรือว่าชลพิญโยได้แก่พิญญาที่เราปฏิบัติกจะมโนยุทธิ์ที่มันควบรวมสองอย่างทั้งเตวิโชและชลพิญโยใช่ไหมถ้าปฏิบัติตามนั้นก็เป <3 S 1> ็นว่าการปฏิบ so so ัติต้องหาจุดจบถ้าญาติโยมคนบริษัทธที่เกียรติ ทำว่าขี้เกียจใช่ไมเพาขี้เกียจทำนานๆต้องการจบเร็วๆประหาบ่มลงล ง, ลงเสียบ่มที่อยู่ลงก็มีสี่จุดขึ้นหนึ่งว่าโสดาบันสาสไิทาคามียสงอานาคามี4สี่อรหันต์จดจบดจริงๆในการปฏิบัติเขมีเขาเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์แปลว่ากีเด็ดเรื่องร้อรรับ มีสิบอย่างหนึ่งส ก, กายยะทิฏฐิมีความเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราสองวิจิตรมีความสงสัยในความมีขุงพเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สามศิริปต์ปปราปรมาตไม่รักษาศินจริงจังแล้วก็สีกรรมฉันทะมีความพอใจในการมารมณ์าปฏิฆะมีหลงไม่ชอบใจ 6รูปราคาติดในรูปฌานเจ็ดอรูปราคาติดในอรูปฌานแมดมณะถือตทุกตน9จ้าอุรทจะมีรมพุ่งร่านสิบอวิชชาไม่รู้จริงตรนนี้นเมื่อสัยญาสิบประการนี้ถ้าได้ทั้ง1ิบเป็นพระอ ร, ระหรันต์แล้วก็ต้องตัดตอน ตัดตอนสังโยชน์เพื่อปฏิบัติจะต้องตัดเป็นตอนๆไปตัดตอนครั้งแรกคือตัดตอนของพระโสดาบันกับสีทาคามีก็ ว, ว่าพระโสดาบันกับสิทาคามีสองอย่างนี้ตัดสังโยชน์แช่าสามตัวดูใสกายทิฏฐิมิจิกิชาสิระปตะป ร, ะปรามาอย่างญาติโยมผู้บริษัททุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ ในที่มาบังไม่ได้มามั่งก็ตามถอะที่เขาเจริญกรรมาฐานการเริญพระกรรมาฐานในเบื้องต้นเรื่อยๆไปก็ถือว่าทำเพื่อพระโสดาบันถ้ายังไม่ได้ประโสดาบันอย่างนี้เขาเรียกว่าพยคาวจรแต่ว่าถ้าถึงพระโสดาบันนั้นก็เป็นพระเรียเจ้าเจ้นี้เราก็ต้องตัดอันดับแรกอันดับแรกคือต้องการเป็นพระโสดาบันก่อน ถ้าเป็นปรโสดาบันแลวบาปทุกอย่างที่ท่านทำเมื่อวันนี้ใครถามะะเรื่องเลี้ยงปลายฝันนีที่เป็นเวรานาี่จะเปลี่ยนจะไเป็นหรอกถ้าเป็นมรโสดาบันและบาปทุกอย่างไม่สามารถจะให้ผลจะฆ่าคนมาส ก, กิใส่คนจะฆ่าสัตมา ก, ก, กีล้านตัวก็ตามเว้นไว้แต่นันตเรียกรรม อันนั้นกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันื่อทําสงแต่ให้แต่กันทําพระเจ้าหอบโรหิตถ้าห้าอย่างนี้จะเป็นอุศดาบันไม่ได้ต้นรองบายภูมิามาบาปอย่างอื่นนอกจากนี้แล้วถ้าเป็นอุศดาบันบาปไม่สามารถจะนำรองบายภูมิได้จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้ไฟเขดับจะไปดูดสา์ก็ไม่ได้เป็นเปกก็ไม่ได้ไปสรกายก็ไม่ได้เป็นสติชัยก็ไม่ได้ โยมความว่าพระโสดาบันตัดบาปทุกอย่างไม่ลงอวัอยภูมิจะมาเกิดแค่เกิดมนุษย์เกิดเทวดาเป็สมรและทรงสลับกับใบเสดกมาอย่างละเอียชาติอย่างต่ํานะถ้ายัางอ่อนอย่างละเจียชาติปฏิพันธ์ถ้ายัางกลางที่เรียกว่โกรังโกละเกิดอย่างละสามชาติคนกับคนสามชาติเทวดาด้ผลสามชาติที่ปฏิพันธ์ ถ้าอย่างเข้มแข็งได้เรว่อเองกวิ่ีเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวปฏิพันธ์อันนี้ว่าทําตามแบบแต่ว่าถ้าเวลานี้ถ้าบุคคลใดเป็นประโสดาบันก็ดีแต่ว่าจิตใจตั้งไว้เพื่อนิพพานแต่ยังไม่เป็นประโสดาบันถ้าตายไป<ม>ก็ไม่มีโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่เพราะ่าถ้าพระสยานตรัต เราเป็นเทวดาก็ตามเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นพงก็ตามต่างเพศจะพระสิอา่านเพียงแค่จบเดียวก็เป็นพระทหารนี่คืการปฏิบัติขบันดาเต็มพุทธบริษัทก็หาจุดจบอันดับแรกรเราหวังพรโสดาบันก่อนมีการปฏิบัติเพื่อพระโสดาบันเขาทำยังไงความจริงนีผู้ทุกเที่ยวนะปฏิชาตันเบื่อเต็มทีแล้วมันช้ำช้ำในช่ํนานย ต่างจนช้ำเหล็กแล้วทุนพระประสดาบันก็นหนึ่งอันดับแรกตัดสกายธิธิความจริงๆแล้วสังโยชนิสิบรายการเนี่ยเขาตัดตัวเดียวตัดตัวแรกไม่ได้ตัดทั้งสิบตัวตัดตัวแรกอย่างหยาบเป็นประสดาบันได้ตัดตัวแรกละเอียดไปนิดหนึ่งเป็นพระสิทธาคามีได้ ตัดตัวแรกลงไปถึงนิ้ายยานเป็นทายาทเป็นพระอนาคามีได้ตัดตัวแรกลงไปถึงขั้นสังขารุเปฆายาเป็นพระราหันเขาตัดตัวเดียวคุณถ้าเจ้าบอกให้ตัดตัวเดียวกําลังใจเขาบรรดาเทพพุทธบริษัทไม่เสมอกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีกําลังใจไม่เท่ากันคือมีคนสี่ประเภทหนอุกโติตันโย มีบา ร, รมีเต็มมีปัญญาดีมีความฉลาดมากแนะนําเป็นแค่หัวข้ อ, ขอก็สามารถบรรลุมรรคผลได้สองวิปติจญโยมีบา ร, รมีเต็มแต่ปัญญาอ่อนมาหน่อยหนึ่งแนะนําแค่หัวข้อครับโดยสมมบรรลุมรรคผลไม่ได้ต้องอธิบายสามเนื้อยะพอที่จะต้องปลูกตั้มกันนานหน่อยใครได้สี่รร พ, รพระท้าบรมโอษฐเจ้ากลัว ไม่กล้าเาไปสอนยิ่งสอนยิ่งลงนรกลึกลเกรพราะจะมีความเห็นตรงกันข้ามกับผู้เจ้าแลพวกนี้มาจากอบยภูมิมาจากอบยภูมิมใช้นี่กรรมยังไม่หมดต้องกลับลงอบยภูมิใหมย่ม ย, ยังกระปิลาาป่าบิคุย์เล่าในทางนีไ้ไม่ต้องจบกันเลยชักวันนี้หมูนี่เอาขึ้นใหม่ก็ดีนะ อย่างท่านก็ บ, กรบีรพิโกถ้าภาษาไทยเราเรียกข้ากบินถ้ า, ากบินนี่เกิดในสมัยพุทธกระสับเวลานั้นพระพุทธกระสบนิ่ผ่านไปแล้วแต่ว่าก็จะมีศา ส, สนาอยู่แบบนี้พระกบินนี่จบพระไตรปิฎกแต่ ว, ว่าพี่ชายเป็นพระอรหนันต์ข้ากบินเรียนแค่จบพระไตรปิฎกเองเขาจะจบประโยชน์เ้าประเด็นพวกไอ้ปัญญาอะไรพวกนี้นะ ไม่เม่อจบพระใจพิดก็ไม่รู้สึษย์ลูกหามาเรียนมากเมื่อมีรู้ศิษยมากลาบส ก, การะก็เกิดติดในลาบส ก, การะติดในคนเมาไม่ปฏิบัติความดีมามาเข้าก็ดัดแปลงคําสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกตายแล้วมีสภาพไปสูญต้องเกิดใหม่แกบอกตายแล้วสูญทิพานไม่มียันนี้เป็นตน้นเป็นว่าบรรดาพระทั้งหลายเห็นว่าไม่เป็นเรื่องพระอรหันต์เนี่ย ก็เข้าไปแนะนําแนะนำบอกคุณกบินที่สอนน่ะผิดเจก็ด่าพระอรหันต์ถ้าน้ำไหลถ้าไม่ดีก็ไปตามพี่ชายมาจากป่าพี่ชายมันก็เตือนเตืนก็นนกาหาจะหาวิชาไม่เดียนอะไรโง่เง่าเต่าตุนเสือกมาสอนฉันในที่สุดท่านก บ, บินตายจากความเป็นคนพอจีนมหมดเป็นพระแล้วถ้าลงไม่นับถือพระเจ้า ก, ก็ถือไม่หยุดระ สภาพความเป็นพระถึงแม้โยมว่าเหลืองก็ตามก็เลยลงอเวจีมานรกใช้กรรมอยู่ช่วงขนาดหนึ่งตั้งแต่สมัยพุทธกษัตริย์มาสมัยพระเจ้านี้เกิดขึ้นมาเป็นปลาแล้วเกิดสีเป็นเหมือนทองคำวันหนึ่งปรากฏลูกชาวประมงพ่อแม่ไม่อยู่เอาแหไปทอดแห ไปทอดได้ปลาเสล็ดชีทองขึ้นมาพ่อแม่กลับมาก็ดีใจว่าลูกชายเราไปทอดแหหากินมันแรกได้ปลาด้วยปลาเกล็ดชีทองถ้าเราจะขายก็แต่กำไรไม่มากจะไปถวายพระราชาดีกว่าจึงนําไปถวายพระเจา้จาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเห็นแปลกก็นําไปถวายพระพุทธเจา้าใส่เรือไปแบบนั้นเอาใส่เรือใส่น้ําไป พระยาจะทราบว่าความเป็นมาของปลาตัวนี้เกิดเป็นทองคำได้เพราะอะไรเกริดเหมือนทองคําแท้เพราะพระเจ้าก็บอกว่าก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่อะไรแล้วเป็นปลาปลาในบทพระเดิมทีเดียวเธอมีความเคารพในพุทธศาสนาแนะนําชาวบ้านเนีมีความเคารพในพระเจ้าเกิดจึงเป็นทองคําเพราะว่าเธอลงอาวจีมานกไปแล้วได้กลับขึ้นมา ที่ปากเหม็นหนาปากเหม็นท่านก็ถามว่าเธอชื่ออะไรพระบอกผมชื่อปฏิละพิขุกรรับปากเปสิงครึ้งเหมือนจระระโตรยา น, นใช่ไหมถามว่าเธอมาจากไหนมาจากอเวจีมหานกรกครรภัพถามว่าพี่ชายของเธอเป็นไหนพี่ชายเป็นไปพิพานครับแม่จะบน้องสาวของเธอเป็นไหนแม่กน้องสาวช่อกระดาษพระไปเวจีมหานรครับ จะถามว่าถ้าเธอตายจากความปลาเธอจะไปไหนก็กับอเวจีใหม่ครับพอพูดเท่านี้เธอก็เสียใจหัวฟาดเรือตายกลับลงอเวจีใหม่ไม่ทันที่พระพุทธเจ้าสัเองนะก็เป็นว่าการแนะนําบรรดาเทพบุตรสัตว์ที่เรื่องนี้มาพูดให้ฟังว่าเราต้องเข้าใจว่าการลงนรกเป็นไปเของไม่ยาก ในการไปนิพพานหรือไปสวัสด์ก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจยังใ้การเจริญกัมมันมันก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ยากอีกนันก็ยา ก, ยากอยู่ตัวเดียวคือว่าส ก, กาญิทิตติหนังสือเขียนว่าต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกยากแต่โรวงพ่อหันท่าน อารมณ์ระโสดาบันกสิกิทาคามีจะมีความรู้สึกแต่เพียงว่าชีวิตร่างกายนี้มันจะต้องตายใช่แค่นี้นะที่จนบอกว่าประโสดาบันก็ดีพระสิกิาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสิน้อริยสัจจำตรง น, นี้ให้ดีสําคัญดีสิ แล้วก็มีความให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายต้องคิดวันนี้กี่ครั้งก็ไม่มีความจําเป็นวันเมืองคิดสักครั้งเดียวก็พอให้มีความมั่นใจว่าชีวิตมันต้องตายแน่เราก็อาจจะคิดว่าแก่แล้วยังตายนั้นมันไม่ถูกความตายไม่มีมีมเครื่อหมายตายมันก็ได้แล้วบริการในสองไม่ยอมยอมรับต้งถือรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจ ไม่สงสัยในความดีของท่านแล้วดนการในสามประโสดาบันสาคัญที่สิบห้าพยายามรักษาสิดให้ครบถ้วนอันนี้ตามแบบแต่ว่าทานักปฏิบัติจริงๆถ้าจิตจะเข้าถึงประโสวดาบันต้องเข้าถึงโคตรภูรยานก่อนคําว่าโคตรคูญานนี่เป็นญานที่อยู่ระหว่างพระโสดาบันกับโลกิยะโลคุตระกับโลคิยาควบขัน เหมือลับลำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบฝั่งนี้เท้าขวาเหยียบฝั่งโน้นแต่เท้าซ้ายยังไม่ยกไประหว่างในช่วงระหว่างที่เราจะเป็นปโสดาบันนีเวลานั้นจิตจะรักขณิพานอย่างยิ่งจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือขิพานขณิพานจชวนไปสวรรค์ไปพุทธโลกไม่ต้องการทั้งหมดจะเกิดใหม่ทั้งมบนอย่างนี้รวยดั่งรวยไม่เอา ถวายสถานรวยสวายสถรนนั่นรวยแน่กิจีาติก็รวยแต่ว่าเราไม่ต้องการความร่ำรวยนั้นเราต้องการนิพพานถ้ามันไม่ถึงนิพพานมันก็รวยนั่นเรื่องขมันใช่ไหมเราทาให้บารมีเต็มก็เป็นว่าเม่จิตเข้าถึงพระโสดาบันจริงๆจะเพิ่มอารมณ์ธรรมดาเข้ามาการถูกกล่าวถูกว่าถูกนินทาถูกเสียส e. so, cool, right? so, so, so, so, so, ีแล้วเคยโกรธ มีความโกรธพระโสดาบันยังมีแต่โกรธช้าหายเร็วเงี่ยลมเบาเพราะว่าโสดาบันก็นเหมือนชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในระหว่างเพศแต่ว่าไม่ละเมิดใจคู่ครองยังมีความอยากอยากดั่มรวยแต่หากินในอาชีพอาชมาชีวะไม่คดโกงใครยังมีความโกรธแต่ไม่คิดฆ่าใครยังมีความหลงเพื่ยังแต่งตัวสวย แต่ว่าไม่ขาดสินห้าแค่นี้เป็นบรโสดาบันอันนี้ขอบรรดาญาโยมเลือกเอาหนาะแต่ไปถ้าเราต้องการเปษษ็นสกิทาคามีก็บังคับกํบาลังใจของเราว่าแค่บราแค่ศินห้านี่มันไม่พอเส็จแล้วก็กําลังใจยังหยาบอยู่เพราะสินห้ามีอะไรบ้างหนึ่งข้ามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่พฤติเหตุกรรมสี่ไม่พูดหุูสาวาตห้าไม่เดือดส้อนมีอะไร ต้องขยับให้สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าสพรธเศราคำนีนี่ก็ยังมีคู่ครองเหมือนกันวันนี้ไม่เคยแต่งงานก็แต่งงานพระเศรธฐาคามีก็เอาเอ า, เอากขบวสิบเข้ามาร่วมเคลนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่เพิกผิดกรรมเหมือนสินห้ามาถึงวาจาเพิ่มอีกสามขึ้หนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดสีไม่เพ้อเจอือเหลวไหล แล้วก็ไม่ถึงสุราะมีไรเพราะถ้าหกกำลังใจก็หนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทํำในเมื่อเขาไม่ให้นเราไม่เอาเขาไม่ให้ด้วยความจริงใจเราไม่เอาก็จิตใจไม่จองล้างไม่จองผนังใครอารมณ์โกรธยังมีนิดหน่อยแต่ไม่คิดเห็นข้าไม่จองล้างไม่จองผนังใครแล้วก็ข้อสิบก็มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อทุกอย่างด้วยปัญญา อย่างนี้เป็นพระสิทาคามีแต่กวามจึงเมื่อเข้าถึงสิทาคามนีนี่อารมณ์อ่อนมากคำว่าอารมณ์อ่อนมากหมายความว่าสิทธิ์ที่มันจะเป็นบาปนะ่ะอ่อนมากจิตคิดจะฆ่าสัตว์ที่มันไม่มีจิตคิดจะรักท ร, รัพย์ไม่มีจิตคิดที่ทาํากรเมสุนช้าจานมันไม่มีและจิตอยากจะโกหกมตท์ใครก็ไม่มีการอยากจะดื่มสาราเม่ไรก็ไม่มี อันนี้จิคิดอยากจะลักทรัพย์สมบัติของใครก็ไม่มีเอาแค่อยากได้สินสินห้ามขโ ม, มยแล้ว่ากำหนดสิทธิไม่มิห้ามใจเลยสินะห้ามมือกำหนดสิทธิห้ามใจจะไม่ดีนะจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบันี่ไม่มีอันนี้ความโกรธของื่อเจะ า, าิจารธรรมีเบาลงความโลภเบาลงความหลงเบาลง ถ้าว่าญัติธาคามีเบื้องปลายนีเบามากจนทั้งบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระนาคารมีนี่ธนะปฏิบัตินะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัส ต, ต่อหน้าจะไม่มีความรู้สึกอย่างการมารมนีมันจะไม่รู้สึกถ้ ใ, ใครเขาด่าเขาว่าจะไม่รู้สึกมันเฉยเขามีเมตตาจิตก็คํำจุนถ้าใครเขาด่าเขาว่าเขาทีทาก็มีความรู้สึกในใจว่าน่าสงสารตรนี้ ก็เขาด่าเราเขาก็ต้องลงนรกถ้าจองล่างจองสายคนนั้นต้องลงอาเบจีก็จิตนึกสงสารแทนี่ด่าว่าตอบไม่ดีเพราะว่า น, นานไม่เข้ามีอารมสงัดบางทีอารมณ์ทั้งสาอย่างอย่างใดหนึ่งความรักก็ดีความอยาบเจรวยก็ดีแล้วความหลงก็ดีนิดหน่อยมันอกระไรกดขึ้นเมื่อกระไรกดขึ้นจริงๆนะไม่ถึงหน้าทีจะ ถ, ถูกตีกลับ จิตจะหายไปนีนาพ่อศิษย์คาคารมีเรื่องไกลนะก็ใกล้ไปนาคามีพอถึงขัง้นอนาคามีจิตจะเต็มด้วยพรหมิหารสีมีด้วยความเมตตาปรานีอยากจะสงเคราะห์ อ, อย่างเดียวในการณีสอนจิตจะหมดความรู้สึกในเพศเพราะว่าการปฏิบัติในสุภกรรมฐานกับการเจรอัตตานุสติ ต่อไปก็มาถึงอน า, าคามีแล้วก็เป็นหน้าที่ปปเป็นพระาราหันจะเป็นพระราหันตัดสัญญอีกห้าอันนี้ง่ายไม่ยากสเสียยิ้มหน่ากลัวเป็นราหันแล้ววะก็อข้ อ, อ, อ, อ, อท้ า, า, า, ท า, า, า, าทำลำบากจริงๆขั้นบรโสดาทิทาคานาคาเนี่ยทำลําบากข้ออะไรไหมตอบเป็นของใหม่อย่างไอ้นักเรียนปหนึ่งเนี่ยมันเรียนยาก ใช่มเขียนตัวกอตัวเดียวสามวันไม่เป็นตัวต อ, น, อนนี้หาว่าขึ้นวัธยมปีที่หนึ่งมันหวานแล้วใช่ไหมเขียนอะไรก็ได้เวน้นไว้แต่ความจําตอนนี้พอผ่านอนาคามีแพร่จะเป็นอรหานทนี้ก็เป็นการตัด ก, กิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุใ ส, สใช้กําลังใจคือใช้ปัญญาโดยเฉพาะไม่ต้องปลุกปล้ำกันมากสําหรับกระโสดาคีทาคานาคาที่ได้มาแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าเสื่อม ทำว่าส่อมน่ไม่มี <c oughs> จะาทรงตัว <c oughs> ตอนยาเปรอะหลังก็ตัดหนึ่งรูปราคะการเห็นรูปประชานเป็นของดีนี่ไม่มีแล้ว <c oughs> จะมีความเข้าใจว่ารูปประชานเนี่ยเป็นเฉพาะกําลัง <c oughs> ช่วยปัญญาตากิเลสเท่านั้นก็าหาว่าถ้าเราติดไปแค่รูปประชานเราเกเป็นทรงแค่รูปอบรม <c oughs> ไม่ได้บปนิพพานได้ <c oughs> อรูปประชานก็เป็นกําลังตัดช่วยเป็นกำลังตากิเลศไม่ติด มานาการถือตัวถือตนไม่มีตัดอุจจาระอารมณ์ผู้สร้างคิดว่าเราตายจากชาตินี้แล้วเราเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยแล้็ไม่ลงมาเจอทำหมไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วไปเป็นพรหมแล้วก็ต่อบปฏิพันธ์ติดตัวนี้ไม่มีวรรณะตัวดเดียวต่อไปก็ตัดอวิชชาอาวิชชาพระเจ้าถึงแยกเป็นสองสรรมคือฉันทกับราคะ ชั้พระหนึ่งมีความใจมนุษย์สโลเกเวโลกกละพุทธมโลกราคะเอมนุษสโลเกเวโลกสมโลกเป็นของน่ารักไม่มีเทว่ามนุษสโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เทวโลกกับพุทธมโลกมีความสุขก็จริงแต่เทวว่าคือความสุขไม่นานถ้าหมดบนวาสนาบารมีนกลับมาเกิดมาเป็นทุกข์ใหม่ครับไม่ต้องการเราต้องการอีกครั้ตอนนั้นต่อไปสติจึงเป็นสังขารุเปรยขายาน คือมีรมวางเฉยทุกอย่างแต่ไม่เฉยไม่คุยนะปากเขาคุยแล้จิตเขาเฉยใครว่าอะไรว่ราคนว่าดีโลกว่าดีว่าดีตามไม่ขัดคอกันแต่ฉันไม่เอาด้วยนี่ว่ากันตามแบบนะเวลาจเท่าไหร่เวลาแลายหกนาทีนี่แต่วนะ่ากันตามแบบอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเห็นว่าปฏิบัติยากไปหน่อยนะี่เอาให้ง่ายกว่านั้นอีนิดไหมดีไหม เอาให้ง่ายเลยว่าจับอารมณ์บโสดาบันให้ได้ <c oughs> นิดน น, น, น, นักปฏิบัติจริงเขาไม่ทำกันแบบเมื่อกี้แต่ที่พูดเมื่อกี้นี่ว่ากันตามแบบแต่นักปฏิบัติจริงเขาไม่ทำกัน <c oughs> ในเมื่อเป็นบะโสดาบันเ็าจับอรลหันเลยถ <c oughs> ้าบาโสดาบันบรรดาแยกโยมพุทธบริษัททุกคนแยกที่ไหนที่นั่งที่นี่ทั้งหมดแยกตัวเดียวคือศีลใช่ไหม การเคารการนึกว่าเราจะต้องตายมันมีอยู่แล้วถ้าไม่คิดว่าจะตายก็ไม่มาเจริญกรรมฐานกันไม่ก็ไม่มาทำ บ, บนกันคนที่รู้จักการทํา บ, บุก็คิดว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองก็จะตายตายแล้วไม่อยากไปนรกนี่มันมีความมันมีความรู้สึกอยู่แล้วประกรารทิ่ที่ในการในสองทุกคนมีความเครบในะพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสม์อยู่แล้วนี่ก็ไป็นทั้สองอย่างเหลือแต่ศีลตัวเดียวก้อนนี้ก็เก็บศีล ศี่ใเราไม่ได้ขาดทั้งห้าตัวทุกค น, นมีศีลแต่มันไม่ครบห้าทั้งไงทัาแกไอศีลเนี่ย <c oughs> ยำมเคยหลบหน้าหลบตาจับไม่เลยถูก <c oughs> นะศีลที่รักษายากที่สุดของญาติโยมผู้หญิงคือมูสาวาดเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำไม่แกลว่านะพูดจริงๆนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพราะสมัยนู้น ม, นมนเคยเจอผู้หญิงโกหกหลายครัง<อ>้งเห็นลึกไปอยู่วัดใ น, นเรื่องรืไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้อยู่วัดอยู่บ้านอ้ไอ้รานที่รวมข่าวมีอะไรอะไรก็ย้อนราบหมด่ม่ที่วัดยีสส่สมัยเป็นหมอดูอยู่แวหมอดูเนี่ยมันดีจริงๆคนนั้นเปิดเผยความรับหมดใช <นะ S 2> ่มถ้าไม่เปิดเผยความรับเดี๋ยวเราก็พูดเรื่องความรับ เอาจริงๆจังกันนะนี่ถ้าหากว่าปฏิบัติทุกคนก็หนักที่สินค่อยๆปรับปรุงศินสินตัวไหนที่เห็นว่ายากระมัดระบังมันไว้ตั้งใจคิดว่าก่อนจะหลับคิดว่าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เวลาหลับถึงวันเย็นพรงนี้เราจะไม่ละเมิดสินห้าแม้แต่ข้อเดียวแต่ไม่ก็อาจจะเผลอเผลยวันหลังก็ตั้งตนใหม่จะไม่ละเมิด อ, อีกมันก็เปล่า อ, อีก ต่อไปมันจะไม่ละเมื่ อ, อีกครบเลยแต่ระวับงบ่อยๆมันอ่อนตัวลงประมาณสามเดือนเป็นอย่างชาจะครบห้าตัวห้าทิขาบทพอครบห้าทศขาบทเพระว่จิตจะต้องการนิพพานเที่ยงเป็นมิโซดาบันแน่นอนแล้วตอนนี้ก็ตัดเข้าอาหารอรหันเลยอาหารหันก็ตัดตัวท้ายตัวอวิชชาเขาปฏิบัติกันแบบนั้น พระยาคือมนุษย์โลเทวโลกกับอมนุโลกที่พระเจ้าสอนแยกไว้เป็นสองสับมาฉันทะเรามีความพอใจนมนุษย์สโลกเทวโลกกัมนโลกไหมถ้าเรายังมีความพอใจอยู่ก็ชื่อว่าเรายังโง่มากเพราะว่ามนุษย์โลกเทวโลกอมนุษยโลกนีมีแต่ความไม่พ้นทุกมนุษย์โลกเป็นทุกขตลอดอย่างยิ่งเทวโลกกับอมนุมยโลกไม่ทุกแต่ไปชาหมาหมดมันก็ตกลับมาทุกใหม่ถ้าไม่เอาาต้องการนิพพาน ราคะเหรอมนุษยโลกสวยสดวยงามมันสวยที่ไหนอ่ะเห็นไหมคนนี้ก็ไม่สวยไปดูในท้องมันมีขี้ทุกคนอ่ะใครไม่มีขี้มั่งเยอะไปขึ้นข้างนอกก็มีขี้ขี่เหนือที้ใครเห็นไหมขี้ก็หกมดเท็ดย้ายข้างหน้าเนี่ยบ้าคนอื่นก็ไม่ได้บ้าเขาหนาอยู่ มันเหมือนกันหมดได้ก็ะโดยิงเพราะอีกที่หนึ่งขี้อะไเหยียดขี่ระยะมันสําคัญมากมันเดือดจะไม่ขึ้นไงตัวเนี้ก็รู้ความเป็นมนุโลกมันก็ไม่มีแต่ความสกปรกใช่ไหมร่างกายแล้วไม่ชำระล้างมันก็สกปรกมันไม่สะอาดตลอดไปเนี่เราก็ไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรรมโลกเป็นเดี๋ยวเดียวมีความสุขหรือกลับมาทุกไม่เอาใหม่เราต้องการนิพพาน ก็จิตจะปรมาราคะแโลภความโลภจะไม่มีในเราโทะ ค, ความโกรธจะไม่มีในเราโมหะความหลงจะไม่มีในเราทรัพย์สินที่มีอยู่เราจะหาเรายัางหาทรัพย์สินอยู่แต่หาโดยชอบธรรมให้เงเเเเนินเดือนเท่าไรเอาเท่านั้นเงินไหลตามน้ำมาเท่าไรเอาเท่านั้นขอเลาแค่สองนาทีนะให้เงินตามน้ำนเลยมันอย่างนี้ มีรข้งหนึ่งกลับมาจากเชียงรายมีผู้หญิงคนหนึ่งแกนั่งอาศัยรถมาแกก็คุยมาได้ยเงินนี่งยงานการก่อสร้างเรารับเหมาไนะบริษัทเขายะตัดเงินไว้ก้อนงคืนเงินสมนาคุณ<อ>แต่ที่ไดาหากว่าเขาใช้เขาตัดบัญชีออกแ ล, อแล้วให้คนนี้ถือไปก็ให้คนโน้นนะถ้าคนนั้นไม่รับไอคนถือนะันเอาเลย เขาถือก็ต yes. ัดไปเกี่ยวแล้วใช่ไหมถ้าเงินประเภทนี้นี่มันไม่บาปเพราะไม่มีสัญญาไม่ได้บังคับเขานี่ไม่ยุให้ใครโกงใครนะถ้าใครได้เงินประเภทนี้มาไม่ต้องการเอาไปวัดท่าสุกร์ไอเงินบังคับบอกแกต้องเผื่อเท่านี้สิเเซนต์นี้ไม่เอาแต่เขาให้เขาให้ไม่บอกก็เอาก็เป็นว่าในเมื่อถึงพระโสดาบันก็ตัดขันห้าแต่ตัดตัดความรู้สึก มนุษย์สัโลติวโลกกับพรหมโล ก, โล ก, โลกค่อยๆตัดว่าเราไม่ต้องการเป็นมนุษย์อีกไม่ต้องการเป็นเทวดาหรือพมเพราะมันทุกข์เทวดากับพรมเนี่จะถืว ม, มีความสุขก็โชคราวจะมีงานใช่ไหม<ะ>เราต้องการนิพพานโดยเฉพาะอย่างนี้หันมาดูร่างกายร่างกายของเรามันแก่ทุกวันมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสุขไม่ช้ามันก็พัง ถ้าเกิดเป็นมุษอย่างนี้กีจชาติแล้วก็ทุกแบบนี้เราไม่ต้องการมัอีน่นริตรจิตก็เข้าถึงสังขารุเปฆายานมีลมวางเฉยถ้าทำมาวางเฉยนี่มันก็หิวหิวก็กินป่วยก็รักษาที่บางทีที่วางเฉยคิดว่ามันตายก็เป็เรื่องของมันตายเมื่อไรเราไปนิพพานเหมืนนั้นคิดเป็นสุขเราตายมีความสุขกว่าอย่างนี้เป็นอร า, ารมณ์พระอรหันต์ต่อไปถ้าเรายังไม่ตายยังไม่ใกล้จะตายมันยังไม่เป็นสระนะครับว่าเนี่ย แปลว่าจะเป็นอรหัสนะเมื่อถึงวันตายถ้าหมดอายุไขมอะไรถึงเป็นอรหัสมันนั้นเพราถ้าเป็นรหันั้นไม่ก็ไม่ทันสิ้นวันนั้นตายทุกรายอาจกถาบอว่าเจ็ดวันแต่ตามบาลีไม่เห็นถึงเจ็ดวันเสาร์วันเดียวจะฟังเทศเจ้าพุทธเจ้าจบเวลาหันขอบวชพุทธเจ้าเห็นว่าคนนี้ไม่เคยถวายผ้าใจเยาวนั้นแหละเป็นศาสนาใช่ไหม เพื่ออหิพิคุมันจะไม่มีผ้าใจยยีบรลสเปเลติริตรลอยมาก็ไม่เกิดประโยชน์ไปหายีบอลมันก็แล้วกันได้ผ้ามาเธอก็่านจะบวชให้เป็นว่านางดักษีมีรงเป็นเวรุปแมหมัวไม่ต้อ่อนจิตตายทุกรายนิพันธ์ทุกรก็เรียองความว่าถ้าจิตเข้าถึงสังขารุเปฆายานมันจะมีรมแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก คนก็ดีใส่ก็ดีเห็นแล้วก็ปกติธรรมดาหมดเรามันเป็นปกติหมดคนที่น่ารักเราก็รักรักด้วยพเ ม, ม, มรฮังสี่คนที่น่าเกลียดเราก็รักด้วยพเ ม, มรฮังสีไอ้ที่น่าเกลียดเพราะแล้วก็กดของกรรมแล้วทําให้โถวก็กดของกรรมกรรที่เป็นอวสนุนันบังคับยิ่งทําผิดใช่ไหม อั น, นคนทุกคนอยากมีความดีแต่อโก๋สนเขาครอบงำในหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ผลมาไม่ได้มันจะมีความจําเป็นรากุสนจะเข้างานเอานานนักไม่ได้ใน่ใช่โกุศลเขามีอยู่แอ้เมื่อกุก๋สนแทรกมาได้เมื่อไรอก๋สนก็ถอยไปมานั้นอย่างองค์พริมานนี่นะฆ่าคนเปนเกินพันฟังเทพเจ้าหน่อยเดียวไม่กี่วันเป็นพระอรหันต์ตามนี้กระโจนฆ่าคนเป็นหมื่นฟังเทพะเจะาภาษาที่ปุ่นเครื่องกันเป็นประสดาบัน ถ้าไม่เอาส่วถอยแล้วนะโครงความว่าถ้าตเข้าถึงสังขารฤกษายาดมันจะเฉยเป็นปกติเยอะหน้าคนทุกคนก็เฉยเพราะว่าเฉยนั่หมายความไม่เหนื่ยความไม่มีเมตตามีเมตตาความรักตีคุณลายความสัสาันมีมุตุตามีฤกษามีมีทุกอย่างแต่การผูกพันในร่างกายของผู้คนเรื่องอะไรพวกไม่มีคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดใช่ไหม รวมความว่าถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาร์ีหนึ่งมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสองมีความแปรปลี่ยนในธรรกลางสามมีการสลายตัวในที่สุดคนทุกคนต้องการความดีจะทําดีไม่ได้เพราะอากุศลเข้าเข้าอองานจิตแต่วกุศลจะเข้าอองานจิตนานนักไม่ได้ไม่ช้าก็สลายตัวความดีจะเข้ามาถึงสักวันหนึ่งข้านหน้าเขาจะดีนี่จิตมันก็เลยเฉยไม่เสียใครไม่โสดใคร ไม่ตำห น, ในใิใคระอะไรยังไงก็ช่างผิวเรื่องธรรมดาในที่สุกระรองเขาว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีคนอื่นชั่วถ้าคนอื่นยังเร็วอยู่แสดงเรายังเร็วมากถ้าเราไม่เร็วเราก็ไม่รู้เขาเร็ว อ, อย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยินทางใครเพราะท่านดีที่สุดใช่ไหมท่รู้กฎของก ร, รับ ต้อมั่นใจในกฎข้องกรรมมันบีบบังคับคนทุกคนต้องการดีทุกคนที่ทําไม่ดีเพราะอากุปศนกรรมมันบีบก็รู้อยู่ว่าฝืนไม่ได้เลี้ยสติกันทำไมพรมธรรมดาก็หมยว่าคืนพูดต่อไปเวลามันก็เลยเป็นเยื่อเยาเราเรื่องอก็คือเวลาติดเรื่องดีกว่าตอนนี้ใส่ขบวนพา ญ, ญาติโยพุทธบริสัทธ์หลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานและกรรมฐาน